ช่วงนี้เป็นช่วงกะถินญาการคือเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้มีการถวายผ้ากะถินแก่พระผู้ที่ได้จำพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำ เดือนส1บ็ดถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนที่พระภิกษุสามารถรับผ้ากฐถินได้ก่อนที่จะมีการถวายผ้ากฐถินพระภิกษุต้องหาผ้าที่ทิ้งตามป่าช้า เป็นผ้าหอศพผ้าที่ทิ้งตามอกองขยะเพราะไม่มีธรรมเนียมถวายผ้าให้แก่ผ้าภิกษุมีธรรมเนียมเพียงแต่การใส่บาตรสมัยยุคที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนขึ้นมาใหม่ๆยังไม่มีผู้ที่มาบวชเป็นผ้าภิกษุมาก การหาผ้าตามป่าช้ายิ่งพอเป็นพอไปพอได้พอประมาณแต่ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาหลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาอยากที่จะปฏิบัติอยากที่จะบวช ก็เลยขอบวดกันเป็นจำนวนมากขึ้นไปตามลำดับผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าชา้าทิ้งไว้ตามกองขยะก็เริ่มหายากขึ้นเพราะมีปริมาณผู้ที่ต้องการนี้มีมากขึ้นไป แล้ววันหนึ่งพระองค์ทรงเห็นพระกลุ่มหนึ่งได้เดินทางมาช่วงปลายพรรษามากราบพระพุทธเจ้าระหว่างทางก็ไปเจอฝนตกเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เป้าด้วยจีวรที่เปียกปอนเพราะไม่มีผ้าจีวรไว้เปลี่ยนจึงเห็นความลําบากของพระภิกษุ จึงได้บอกญาติโยมว่าควรจะถวายผ้าให้แก่พ้าภิกษุเพราะเป็นสิ่งที่ขาดแคลนผู้ใดถวายผ้ากรถินคือผ้าที่เป็นผ้าขาวผ้าที่ยังไม่ได้ตัดเย็บยังไม่ได้ซักย้อมถวายให้พ้าภิกษุนำไปตัดเย็บซักย้อมเป็นผ้าจีวร จะได้รับอา น, นิสงส์งมากได้บุญมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ขาดแคลนในช่วงนั้นการที่เราได้ให้สิ่งที่ขาดแคลนนี้จะทำให้ผู้รับนั้นได้รับประโยชน์มาก่งการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นมากก็จะเป็นบุญมากสาหรับผู้ให้ ก็เลยมีการประเพณีถวายผ้ากถินมาตั้งแต่บัดนั้นการถวายผ้ากถินพระพุทธเจ้าก็ทรงมีบัญญัติข้อเงื่อนไขไว้หลายประการเช่นระยะเวลาที่จะถวายถวายได้เพียงหนึ่งเดือนพระองค์ไม่ทรงต้องการให้ เรื่องการถวายผ้านี้มันยืดเยื้อไม่อยากให้พระต้องมาคอยรับผ้าตลอดทั้งปีก็เลยให้ถวายได้เพียงระยะเวลาหนึ่งเดือนและวัดแต่ละวัดก็จะรับผ้าได้เพียงครั้งเดียวผ้ากถินวัดนั้นก็จะต้องมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา อย่างน้อยห้ารูปขึ้นไปพอเวลารับผ้ากรถินมาแล้วก็จะมีพิธีอุปโลกการกระทำอุปโลกต้องใช้พระสงสี่รูปพระภิกษุสี่รูปแล้วก็พระผู้ที่รับผ้ากรถินอีกรูปหนึ่งรวมเป็นห้ารูปพระที่ทำการอุปโลกก็จะเป็นผู้ที่จะเสนอ ว่าผ้าที่ได้รับมานี้ควรจะให้ผู้ใดก่อนแล้วก็จะมีพระที่จะสวดคุณสมบัติของพระผู้ที่จะรับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีพระที่จะตั้งยติให้สงอนุมัติมอบผ้านั้นให้แก่พระที่ทางสงได้เลือกเป็น ให้เป็นผู้รับผ้านี่คือพิธีอุปโลกที่ญาติโยมคงจะได้เห็นกันเพราะว่าจะต้องทำในขณะที่ถวายผ้าเลยเวลาญาติโยมกล่าวคำถวายผ้าแล้วพระท่านก็จะรับผ้านี้ไปตั้งไว้ที่ท้ำกลางสงแล้วก็จะมีพระสวดอุปโลกสี่รูปตามลำดับ สวดเสร็จแล้วก็พระสองรูปก็จะตั้งยัติการตั้งยัติก็เหมือนกับว่าการเสนอให้สงได้รับทราบว่าทางคณะสง์ได้ปรึกษากันแล้วและเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าพระรูปนี้ควรจะเป็นผู้ได้รับพระกระินอพอสวดเสร็จก็เอาผ้านั้น มอบให้กับพระที่ได้เป็นผู้ เ, เลือกให้เป็นผู้รับผ้ากระถิ่นในปัจจุบันด้วยตามธรรมเนียมก็มักจะเลือกพระที่เป็นหัวหน้าเพราะเป็นพระที่มีคุณสมบัติที่ที่ดีที่สุดอรูบาอาจารย์จอยมักจะเป็นผู้รับผ้านั้น เมื่อได้รับผ้านั้นแล้วพระภิกษุในวัดก็จะช่วยกันนำเอาไปตัดเย็บเพราะจำเป็นจะต้องทำให้เสร็จภายในวันนั้นคือต้องให้เสร็จก่อนสว่างของวันรุ่งขึ้นสมัยโบราณนี้จะนับวันเริ่มต้นที่ตอนเช้ามืดตอนที่สว่างพอสว่างก็ถือว่าเป็นวันใหม่นับจากสว่างถึงสว่าง พอพระรับไปแล้วอย่างวันนี้ญาติโยมถวายผ้าไปแล้วตอนนี้พระท่านกําลังอตัดเย็บกันชุลมูลเพราะว่าจะต้องตัดต้องเย็บแล้วก็ต้องมาซักย้อมด้วยสีติมน้ําแก่นขนุนแล้วก็ผสมสีกลับเข้าไปแล้วก็ต้องเอาไปผึง่งเอาไปตากให้แห้งกว่าจะแห้งก็ บางทีก็มืดคำ่ำพอมืดค่ำเสร็จพอตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ก็จะประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้พระที่ได้รับผ้านั้นอันมุทนาอันนี้เป็นการทำให้พระภิกษุมีความสามัคคีต่อกันและกัน ทุกคนร่วมกันร่วมม้ร่วมมือกันทำกิจนี้ให้เสร็จเสริมความเพียรคือให้ทำด้วยความเร่งรีบไม่ให้อ่ไม่ให้ทอดทิ้งให้รีบทำให้เสร็จมีกิจอะไรที่พึงจะต้องทำก็ร่วมกันทำให้เสร็จเป็นการเสริมสร้างความเพียรในหมู่สงเสริมสร้างความสามัคคี ในหมู่สองนี่ก็คือเรื่องของผ้ากระถิน่นแล้วก็นอกจากที่จะต้องอทำให้เสร็จภายในวันนั้นแล้วก็ต้องมีอะไรนึกไม่ออก ผ้าที่จะถวายต้องเป็นผ้าขาวผ้าที่ยังไม่ได้ตัดเย็บสมัยก่อนนั้นจะไม่มีร้านขายผ้ากันพระสงฆ์จะต้องหัดเรียนตัดเย็บผ้าจีวรกันแล้วเนื่องจากพระนั้นไม่ใช่มีเพียงพระรูปเดียวก็จะมีการถวายผ้าบริวารให้กับสงฆ์ด้วยเพราะว่า นอกจากผ้าที่รับผ้ากระถินแล้วผ้าอื่นก็จําเป็นที่ยังจะต้องเปลี่ยนผ้าเก่าเพราะผ้าที่ใช้มาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีก็ต้องชํารุดต้องขาดผ้าก็ต้องหาผ้าใหม่กันและนอกจากผ้าที่ถวายในในพิธีแล้วก็ยังมีถวายผ้าเป็นพับผเพื่อที่ พระรูปอื่นจะได้นําเอาไปตัดเย็บเป็นจีวรใหม่เพื่อจะได้เปลี่ยนจีวรเก่าที่ขาดไปแล้วธรรมเนียมของพระป่าท่านก็จะตัดเย็บผ้ากันเองไม่นิยมไปซื้อผ้าตามร้านผ้าที่สำเร็จรูปที่ญาติโยมโถวายพระป่านี่ส่วนใหญ่ท่านจะไม่ได้ใช้กัน เพราะท่านจะนิยมใช้ผ้าที่ตัดเย็บของของตนเองช่วยกันตัดเย็บเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีพระป่านี้จะรู้จักวิธีตัดเย็บผ้าจีวรต่างๆแต่พ้าบ้านผ้าเมืองนี้จะไม่รู้จักเพราะว่าจะมีผู้ถวายผ้าสำเร็จรูปผ้าไต่ที่ญาติโยมซื้อจากร้านมา ซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้ขนาดกับพระที่จะใช้เพราะพระนี่ก็มีความสูงต่ำไม่เท่ากันพระจึงมีแบ่งเป็นสามขนาดนั่งขนาดเตี้ยขนาดกลางและขนาดสูงขนาดสูงก็ประมาณสองเมตรขึ้นไปขนาดกลางกลางก็ประมาณสองเมตรแล้วขนาดเตี้ยก็ประมาณเมตรแดสิบ นี่คือความสูงของของผ้าจีวรและสีของผ้าก็มีหลากหลายสมัยนี้แต่ละวัดก็มีธรรมเนียมใช้สีผ้าต่างกันไปตามครูบาอาจารย์ของแต่ละของแต่ละวัดครูบาอาจารย์ท่านก็ใช้ตามครูบาอาจารย์ของท่าน ท่านเคยไปศึกษาไปเรียนรู้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไหนเขาใช้ผ้าสีอะไรท่านก็จะใช้สีนั้นพอท่านมาตั้งวัดท่านก็จะใช้ผ้าสีนั้นพระที่มาบวชในวัดนั้นก็จะใช้สีตามกันไปแล้วถ้าหลังจากนั้นพระที่ออกไปตั้งวัดของตนก็จะใช้สีของวัดนั้นดังนั้น ญาติยมก็อาจจะเห็นว่ามีสีผ้าของพระนี่หลากหลายด้วยกันสีเหลืองสีกราสีสีคล้ายๆสีแดงก็มีอันนี้ก็เป็นไปตามธรรมเนียมของแต่ละวัดแต่ทางสายภาพทางสายาพระป่านี้ท่านจะ ซักย้อมด้วยน้าที่ต้มด้วยแก่นขนุนน้าที่ต้มด้วยแก่นขนุนนี้จะออกเป็นสีเหลืองเหลืองแล้วก็มีสีที่เป็นสี ส, ส, สีผงเป็นสีกรับแล้วก็มีสีเหลืองทองแล้วก็ยังมีสีที่ได้มาจากการเอาหิน เอาหินแดงมาผลจะออกสีจะผสมกันสามสีสีด้วยกันสีผ้าที่เห็นของผ้าป่าจะเป็นอย่างนั้นส่วนผ้าที่ญาติโยมา จ, จะไม่ค่อยได้เห็นก็คือผ้าที่พระท่านอนุ่งที่เรียกว่าเป็นผ้าอาบน้ําผลเนี่ยท่านก็ใช้หินแดงเนี่ยมาผล แล้วก็เอาผ้าขาวที่ได้มาย้อมอันนี้ท่านมักจะใส่เวลาที่อยู่ในวัดเวลาที่ทำงานทำการหรือเวลาที่ไม่ได้ประกอบพิธีกรรมเช่นการไปบิณฑบาตหรือการมาฉันอันนี้ท่านจะใช้ผ้าที่เรียกว่าผ้าไตรผ้าไตร ผ, ผ้านี้จะนี้จะต้องมีผ้าหนึ่งไตรเป็น เป็นผ้าก็เรียกว่าผ้าคลองพระทุกรูปนี้จะต้องมีผ้าสามผืนเวลาบวชนี้จะมีผ้าสามผืนคือผ้านุ่งที่เรียกว่าผ้าสบงผ้าห่มเรียกว่าผ้าจีวรและผ้าผ้าห่มกันหนาวเป็นผ้าสองชั้นนี่เรียกว่าผ้าสังคติเวลาพระทำพิธีนี้ท่านจะ ของผ้าทั้งสามผืนนี้ผ้านุ่งผ้าห่มแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวนี่เป็นผ้าที่ญาติโยมเห็นท่านพาดไว้บนบ่าอันนั้นเป็นผ้าห่มกันหนาวพระวินัยนี้บังคับให้พระต้องดูแลรักษาผ้าทั้งสามผืนนี้ไว้ให้ปลอดภัยเพราะเป็นสมบัติสำคัญของพระ เป็นสมบัติ3มส่วนสมชิ้นในอัถบริคารสมบัติของพระทั้งหมดนี้มี8ชิ้นด้วยกันที่จะต้องดูแลรักษาเพราะขาดไปแล้วจะทำให้ลำบากได้อัาบริคารชิ้นที่หนึ่งก็คือบาทบาทนี้ถ้าหายแล้วอดอดตายแน่ๆ แ, แต่ถ้ามีบาทแล้วไปที่ไหนก็ไม่มีวันอดตาย แล้วก็ผ้าสามผืนถ้าเป็นผ้าเครื่องนุ่งห่มปกติท่านก็จะห่มสองผืนห่มผืนหนึ่งนุ่งผืนหนึ่งผ้าสบงแล้วก็ผ้าห่มเวลาที่ท่านไปทำปาธารกิจเช่นขบฉันอะไรแล้วพบปะกับญาติโยมตอนรับญาติโยมท่านก็จะห่มผ้าจีวรกับนุ่งผ้าสบง ท้าทำพิธีสงฆ์ก็จะต้องเอาผ้าสังขติไปด้วยผ้าหม่มกันหนาวมันไม่ได้อะมันหนาวมากก็เลยไม่หม่มมันไม่ซ้อนหม่มมันก็เลยพาดบนไหลแทนแต่สําหรับผ้า ป, ป่าเวลาออกบินระบาดนี้ท่านจะเอาผ้าห่มกันหนาวนี้ซ้อนทับกับผ้าจีวรท่านจะเอาติดตัวไปเพราะว่าเวลาที่ท่านอยู่ในป่าท่านไปทุดง แล้วท่านไปพักอยู่ในป่านี่ท่านไม่มีที่เก็บผ้าไว้ให้ปลอดภัยเวลาไปบินธบารถ้าไม่เอาผ้าห่มกันหนาวนี้ไปด้วยกลับมาลิงอาจจะขมโมยไปก็ได้หรือสมัยก่อนผ้าเป็นของที่หายากก็อาจจะมีคนขมโมยไปก็ได้พ้าป่าที่ท่านไปทุดงท่านจึงนิยมที่จะเอาผ้าสังขติไปด้วย จะพาดไว้บนไหล่มันก็ไม่สะดวกเดี๋ยวมันก็หล่นเดี๋ยวมันก็หล่นนี่ท่านก็เลยซ้อนผ้าอผ้าจีวรเลยเวลาห่มจีบอของวินนบานนี่เหมือนกับห่มสามผ้าสามผืนด้วยกันผ้าสามชั้นผ้าห่มกันหนาว น, นี่มันสองชั้นแล้วก็ผ้าจีวร อ, อีกผืนหนึ่งก็เป็นสามชั้นถ้าเจอช่วงฤดูร้อนนี่ก็หนาวแล้วก็ก็ร้อนน้าดู กลับมาจากบินดบานนี้บางทีเหงื่อแตกแต่ก็เป็นธรรมเนียมที่ท่านรักษากันมาเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องคอยดูแลรักษาผ้าไม่ให้หายไปเพราะถ้าหายแล้วจะลําบากจะเดือดร้อนจะต้องไปหาผ้าใหม่ซึ่งสมัยครูบาอาจารย์สมัยหลวงปู่มั่นนั้นท่านอยู่ในยุคที่ยังไม่มีความเจริญ ทางด้านวัตถุเหมือนกับสมัยนี้ผ้าก็เป็นสิ่งที่หายากสินค้าต่างๆนี้เป็นสิ่งที่หายากหลวงตาท่านเคยเขียนไว้ในหนังสือว่าพวกพวกโอเวนตินพวกกาแฟอะไรเนี่ยท่านบอกมีแต่ภาพให้ดูของไม่ค่อยได้มีกันภาพจะดูยังหายาก ก็ในช่วงยุคสงครามโลกมันก็เป็นยุคที่ว่ า, ามีการขาดแคลนทางด้านวัตถุเข้าของต่างๆและการพัฒนาทางด้านวัตถุ ก, ก็ไม่เจริญเหมือนสมัยนี้สมัยนี้มีวัตถุเข้าของเต็มไปหมดมันก็เป็นคนละสมัยสมัยก่อนท่านจึงมีความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอบริการของท่าน บาท่านต้องรักษาไปไหนก็ต้องเอาติดตัวไปผ้าไตรสามผืนก็ต้องเอาติดตัวไปนอกจากผ้าไตาแล้วก็ต้องมีเข็มขัดที่เรียกว่าประคตเอวไว้สำหรับรัดรัดผ้าสบงอีกด้วยเพราะผ้านี้จะไม่มีซิปไม่มีกระดุมเป็นผ้าแล้วก็ม้วนๆกันเข้ามาแล้วก็มัดเข้ามาท่านเองต้องมีประคตเอวไว้รัดอีกทีนึง ถ้าไม่มีเดี๋ยวก็หลุดแล้วก็จะมีมีเข็มกับได้ไว้สำหรับปะเย็บจีวรเวลามันขาดแล้วก็มีมีดโกนไว้สำหรับโกนกนผมโกนหนวดแล้วก็มีที่กรองน้ำเพราะสมัยก่อนนี้ตักน้ำต า, ตามลำตามลาธารตามบ่อ ไม่มีน้ำประปาที่เขากรองสะอาดแล้วต้องมีที่กรองน้ําเพราะว่าน้ําในในบึงในบอ่อในลานําธารมีตัวสัตว์เช่นลูกน้ําเวลาตักน้ําขึ้นมาก็ต้องมีอะไรกรองไม่ให้มันติดขึ้นมาด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ไปทําบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเวลาดื่มน้ําเข้าไปและอาจจะป้องเป็น อาจจะเป็นวิธีรักษาป้องกันโครคภัยไข้เจ็บด้วยนี่คือสมบัติแปดชิ้นของพระที่เป็นสมบัติที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดูแลรักษาให้อย่างดีพระก็มีแค่นี้แหละสำหรับสมบัติพอแล้วสำหรับการเลี้ยงชีพคือ ดูแลรักษาอัตภาพร่างกายให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขไม่ไม่อดอยากขาดแคนไม่ตกทุกได้ยากไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้มาทำกิจที่สำคัญก็คือการพัฒนาจิตใจพระพุทธเจ้าสอนให้พระนี้ไม่ให้เสียเวลากับการ เลี้ยงดูร่างกายให้ให้ถือหลักมักน้อยสันโดษในเรื่องของอปัจจัยสีข่ของของของร่างกายให้ยินดีอาหารตามมีตามเกิดให้เบญทบาทได้อะไรมาก็ฉันไปถือว่าเป็นการฉันยาไม่ได้ฉันด้วยความอยาก ไม่ได้ฉันด้วยความสุขจากการได้ฉันสิ่งอาหารชนิดที่ถูกปากถูกคอถูกใจฉันเพื่อที่จะให้ร่างกายไม่หิวดับเวทนาที่เกิดจากความหิวเพื่อที่จะได้มีกำลังวังชานำเพื่อจะได้นำมาปฏิบัติธรรม มักน้อยก็คือให้มีสมบัติน้อยๆแช่นให้มีแค่อัฐบริขารเพราะจะไม่พะลุงพลังไม่เป็นภาระไม่ต้องมาคอยกังวลดูแลรักษามีมากมีน้อยมันก็ดูแลร่างกายได้พอเท่าๆกันถ้ามีพอประมาณแล้วมากกว่านั้นมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากขึ้นไม่ได้ทําให้ร่างกายนี้ดีขึ้นแต่อย่างใด ถ้ามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วจะมีสองสามเท่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่จะกลายเป็นภาระไปเป่าๆเพราะจะต้อง <c oughs> ดูแลหรือจัดการกับของต่างๆที่มันมีมากเกินความจำเป็นเงั้นท่านสอนว่าอย่ามากังวลมาวุ่นวายกับเรื่องข้าวของต่างๆให้มีไว้รับใช้เรา ไว้เลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขก็พอแล้วไปไหนมาไหนท่านบอกว่าไปเหมือนนกนกนี่เวลาบินไปไหนมาไหนเขาไม่มีอะไรติดตัวไปด้วยเขาไปหากินข้างหน้าไปที่ไหนเขาก็ไปหาอาหารตามที่เขาจะหาได้พระก็เหมือนกันเวลาไปไหนก็ไม่ได้เอาตู้เย็นไปด้วย ไม่ได้เอาไมโครเวฟไปด้วยไม่ได้เอาเสบียงอะไรต่างๆติดตัวไปด้วยเอาแต่บาทใบเดียวพอไปถึงที่ไหนเช้าก็ออกบินระบาดได้เลยแล้วก็จะได้อาหารมาการอยู่แบบนี้มันจะทําให้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ภาชนะการกบฉันก็ไม่ต้องใช้ช้อนก็ไม่มีพระป่านี้ท่านจะไม่นิยมใช้ช้อนเวลาฉันเพราะเวลาบวชดวงตาท่านบอกว่าอุปชามอบให้เพียงบาดใบเดียวไม่มีช้อนติดติดก็ไปติดมาติดมาด้วยไม่มีช้อนไม่มีชามไม่มีจานอะไติดติดมาด้วยเวลาบวชนี่มีแต่บาดใบเดียวเองท่านก็จะนิยมฉันในบาด มีอะไรก็ใส่ไปในบาทรวมกันแล้วก็ช้อนก็ไม่ใช้จะใช้ใช้มือรับประทานแบบคนโบราณสบายสะดวกง่ายดายไม่ต้องล้างช้อนล้างมือแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็สมัยก่อนบาทนี้ก็เป็นบาต ท, ที่ต้องบ่มคำว่าบ่มก็คือ ต้องเอาไปเผาไปอบไฟบาดเหล็กนี้เวลาถูกไฟอบแล้วมันจะมีสะเก็ดออกมาคุมตัวเนื้อเหล็กอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าเหล็กนี้ไม่มีสะเก็ดมีเ็าเรียกอะไรผิวที่เกิดจากการบ่มนี่เวลาเด็กเจวน้ำแล้วเช็ดไม่แห้ง มันก็จะสนิมขึ้นได้สนิมขึ้นก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายเวลารับประทานอาหารก็ต้องเอาบาดเหล็กนี้ไปบ่มไปบ่มแล้วก็จะมีผิวเคลือบเคลือบตัวบาดอีกทีนึงแต่ผิวนี้มันบางมากถ้ามีของแข็งอะไรไปกระเทาะกระแทกมันหน่อยมันก็จะหลุดพอหลุดแล้วก็ต้องเอาไปบ่มใหม่ทันทีเพราะว่า ไม่สามารถที่จะปะมันได้ต้องขูดมันออกใหม่หมดแล้วก็ไปเผาใหม่ถ้าเผาครั้งสองครั้งมันก็จะทะลุเพราะเวลาเผาแต่ละครั้งมันก็จะบางลงไปเรื่องบาดสมัยก่อนนี้ท่านละมัดระวังมากท่านจะไม่ให้ใครมาแตะเลยญาติโยมที่ไม่รู้จักจะมาขออุ้มบาดหรือจะเอาบาดไปล่างนี้ท่านจะไม่ให้เอาไป แต่ให้คนที่รู้เรื่องพ่าเวลาล้างบาทนี้ก็ต้องไม่วางไว้บนบนบนพื้นที่แข็งเราจะต้องมีมีอะไรรองรับก้นบาทอีกทีหนึ่งเช่นมีลูกห่วงห่วงลูกยางวางไว้เพื่อจะได้ไม่กระแทกกับพื้นที่แข็งเพราะถ้าวางไว้แบบกระแทกปั้งเดียวมันก็มันก็กระเทาะหลุดได้ การบาดนี้จะเป็นบริการที่ท่านดูแลรักษามากช้อนท่านถึงไม่นิยมใช้เพราะว่าบางทีใช้ช้อนไปขูดกับก้นบาดเข้าเดี๋ยวไอสิ่งที่เคลือบผิวที่เคลือบอยู่มันก็จะหลุดออกมาท่านก็เลยไม่นิยมใช้ช้อนกันก็ะจะก็จะใช้มือเป็นช้อนแทน แล้วอาหารข้าวหวานต่างๆก็ให้ใส่ไปในบาตเพราะถือว่าเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันที่ในท้องอยู่ดีท้องนี่ก็เป็นบาดใบที่สองบาดใบแรกก็อยู่ข้างนอกบาดใบที่สองมันก็อยู่ข้างในฉะนั้นก็เอามารวมกันไว้ที่บาดเลยไม่ต้องไปแยกมันให้มันยุ่งยากไปเปลๆ เพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องของกิเลสไปเวลาที่เราแยกอาหารข้าวหวานนี่มันเป็นเรื่องของรสชาติละเรื่องของอรูปสีกลิ่นรสละเป็นกามัชันทะนะอาหารชนิดนี้จะต้องกินต้องเป็นรสแบบนี้อาหารชนิดนี้ต้องเป็นรสแบบนี้ปนกันไม่ได้เพราะปนแล้วมันเสียอารมณ์กินไม่ลง วิธีที่ท่านจะแก้ปัญหาเรื่องของการมฉันทะที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารก็ให้ใส่อาหารลงไปในบาตรเพราะว่ามันส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีภาชนะเพียงอันเดียวเวลาไปที่ยวตงนี้ไม่ได้เอาถ้วยเอาชามเอาจานติดตัวไปด้วยเวลาไปบินตบาทญาติโยมใส่บาตรมากลับมาที่พักก็เอาอาหารที่ได้ใส่ไปในบาตรแล้วก็ฉันนะ อาห า, าเสร็จก็ล้างบาดใบเดียวแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเสียเวลามากแล้วการใส่อาหารเข้าไปในบาดก็มีสามระดับด้วยกันระดับแบบสบายสบา ย, บายคือไม่ซีเรียสมากเกินไปก็คือแยกเป็นใส่ลงไปรวมกันใส่ตรงไหนก็ได้ไม่ไม่ได้ไปแยกแยะว่าจะต้องแยกข้าวไม มุมหนึ่งกลับไว้มุมของขวานไว้มุมหนึ่งอันนี้แบบปานกลางถ้าแบบจูจ้จี้จุกจิกหน่อยก็ยากกันเอาข้าวไวม้มุมหนึ่งเอากลับไวม้มุมเอของหวานไวม้มุมนึ่งแล้วอีกอีกขั้นหนึ่งก็แบบที่ว่าต้องการที่จะเด็ดกิเลสดัดกิเลสก็คือคุก ม, มันเลยใส่เข้าไปแล้วก็คน ม, มันคุก ม, ม, มันเหมือนผัดข้าวในกระทะ ให้มันเป็นอาหารจานเดียวอันนี้กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินถ้าอยู่เพื่อกินนี่จะต้องสรรหาวันนี้จะกินอะไรดีกินที่ไหนดีอันนี้เรียกว่าอยู่เพื่อกินถ้ากินเพื่ออยู่ก็มีอะไรก็กินกินมไปกินเหมือนกินยาอาหารนี่ก็เป็นเหมือนยารักษาร่างกาย ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้หิวโหวยอันนี้ก็เป็นเรื่องการอยู่แบบมากน้อยสันโดษของพระภิกษุเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามากกับการดูแลร่างกายถ้าอยู่องค์เดียวไปบิณฑบาตฉันเสร็จนี่แปดโมงก็เสร็จละแปดโมงคร่งก็ภาวนาได้แล้ะ ภาวนาไม่ต้องเสียเวลาถ้าอยู่กับหมู่คณะอยู่ในวัดมีญาติโยมมาทายมูลใส่บาตรกันมากมากมา ก, กว่าจะเสร็จก็เกือบสิบโมงสิบเอ็ดมงบางวัดถ้ามีคนมาม า, มากบางวันนี่คือสาเหตุหนึ่งที่บางทีพระท่านจะต้องไปปีกวิเวกเพราะว่าเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์จะมีญาติโยมมาทําบุญกันมาก ก็จะต้องมีงานการที่จะคอยอต้องดูแลกันต้องเตรียมข้าวเตรียมของไว้ต้อนรับญาติโยมเตรียมภาชนะเตรียมน้ำเตรียมอะไรและเวลาญาติโยมกลับก็ต้องช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดช่วยกันถูมันก็จะมีงานมากขึ้นแต่ถ้าเป็นพระบวชใหม่ก็มีความจำเป็นที่ยังต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ไปก่อนเพื่อจะได้ศึกษา จากครูบาอาจารย์แต่พอบวชไปได้และปฏิบัติไปได้มีความก้าวหน้าขึ้นสามารถที่จะไปปฏิบัติตามลำพังได้บางทีก็ต้องขอขออนุญาตราท่านไปไปปิกวิเวกเพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ และการไปปีกวิเวก็จะเป็นการทดสอบกำลังของตนเองว่าเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์นี้ส่วนหนึ่งก็อาศัยบารมีของครูบาอาจารย์คอยคุ้มครองคอยดูแลคอยช่วยเหลือแต่เวลาไปอยู่ตามลำพังนี้ก็ต้องใช้บารมีของตนเองไว้ต่อสู้กับภัยทั้งที่มีอยู่ข้างนอกและภัยที่อยู่มีข้างในภัยข้างนอกก็คือสิงสารสัตว์ต่าง ภัยที่อยู่ภายในก็กิเลสตันหาต่างๆอันนี้พอไปเปรกเวกแล้วก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่ตอนได้เรียนได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์เพื่อที่จะมาใช้ต่อสู้กับภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็มันเวลามีภัยข้างนอกแล้วมันก็จะเกิดภัยข้างในตามมาด้วยเวลาเห็นสิงสาราสัตว์นี้ มันก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาได้เกิดความกลัวถ้าไม่รู้ถ้าไม่สามารถระงับความกลัวได้ก็จะอยู่ไม่ได้ก็ต้องหาวิธีหาธรรมที่ได้เรียนมาใช้ในการที่จะกาจัดความกลัวถ้ากาจัดได้แล้วมันก็จะสบายถ้ากาจัดไม่ได้ก็ยังต้องพยายามกาจัดต่อไป พ่อพายทางที่เกิดจากความกลัวก็คือความทุกข์นี่ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ก็จะต้องดับความกลัวให้ได้วิธีดับความกลัวนี้ก็มีสองขั้นตอนขั้นแรกก็ดับด้วยกำลังของสติเวลาที่ไปเจออะไรแล้วทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาท่านก็บอกว่าอย่าส่งดึงใจกลับเข้ามาอย่าปล่อยให้ใจ ไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้กลัวเช่นกลัวผีก็อย่าไปคิดถึงเรื่องผีกลัวเสือได้ยินเสียงเสือร้องก็อย่าไปคิดถึงเรื่องเสีเสยงเสือร้องให้ใช้สติคือการบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าใจจ่อจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมพุทโธเพียงอย่างเดียวใจก็จะไม่สามารถที่จะไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาได้ พอใจจดจ่ออยู่กับคาบริกรรมอย่างต่อเนื่องใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้นการที่อยากจะให้ใจรวมเนี่ยมันจะต้องไปเจอเหตุการณ์ที่มันท้าทายต่อความกลัวความเป็นความตายมันถึงจะภาวนากันอย่างเอาจริงเอาจังตอนที่เราภาวนาอยู่ในที่ปลอดภัยนี้เราเหมือนกับว่าเป็นเหมือนของเล่นนเล่นไปภาวนาพุทโธไปหยุดบ้างไม่หยุดบ้าง เพราะว่ามันไม่มีอะไรบังคับให้ภาวนากันอย่างจริงจริงจังๆแต่ถ้าไปอยู่ในสถานที่มันน่ากลัวหรือไปเจอสิ่งที่มันน่ากลัวขึ้นมามันต้องภาวนากันแบบฝากเป็นฝากตายไว้เลยมันก็จะแบบว่าภาวนากันอย่างสุดดิษเลยเหมือนญาตโยมถ้าอยู่บนเครื่องนี้เครื่องมันจะตกนี่สวดมนต์กันวุ่นไปหมดนะ มันต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่ทำให้เราต้องหาที่ยืดเหนี่ยวจิตใจเพราะว่าถ้ามันไม่มีมันจะเสียสติได้มันจะเป็นบ้าได้กลัวมากๆนี่มันก็ทุกข์ทรมานมากถ้าอยากจะดับความทุกข์ทรมานที่เกิดจากความกลัวนี้ก็ต้องใช้สติเป็นเบื้องต้นเพราะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือบริกรรมพุทธโธหรือสวดมนต์ไป อย่างที่พระเจ้าทรงสอนว่าก็เวลาเกลายความกลัวขึ้นมาก็ให้สวดให้เราเลิกถึงพระพุทธคุณเมื่อเราเลิกถึงพระพุทธคุณแล้วความกลัวยังไม่หายก็ให้เราเลิกถึงพระธรรมคุณเมื่อธรรมคุณยังไม่หายก็ให้เราเลิกถึงพระสังฆคุณยให้เราเลิอกอย่างนี้ไปกลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวความกลัวก็จะหายไปจิตก็จะสงบตัวลงเข้าสู่ความสงบได้ นี่มันเป็นวิธีที่ครูบาอาจารย์ท่านชอบใช้กันเพราะมันจะทำให้จิตรวมได้จริงๆถ้าอยู่ในที่สบายๆปลอดภัยไม่มีภัยมันจะไม่สนมันจะไม่ตั้งใจที่จะภาวนาจริงๆจังๆเพราะว่ามันไม่มีความกลัวเหมือนกับเวลาที่มีความกลัวนี่มันจะต้องเอาจริงๆจังๆเลย พอภาวนาอย่างจริงๆริ ง, งจังๆไม่นานไม่กี่นาทีเนะี่ยมันจิตก็รวมสงบได้อต่ถ้ามันไม่มีที่มันมีภยัยมันมันไม่มันไม่ภาวนามันไม่บริกรรมอย่างจริงจรงจังๆมันก็บริกรรมได้แป๊บเดียวก็หยุดละไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ละจิตมันก็เลยไม่รวมกัน <c oughs> นี่คือสาเหตุทําไมพระถึงต้องไปอยู่ในปานใ่าในเขา อยู่ในตามสถานที่ที่มันวหวาดน่ากลัวกันไปภาวนาในป่าช้ากันบ้างไปอยู่ในสถานที่มีสิงสาราสัตว์น่ากลัวต่างๆเพื่อที่จะได้กระตุ้นความกลัวให้เกิดขึ้นเมื่อมีความกลัวแล้วมันก็ต้องรีบหาธรรมมาระงับมันธรรมที่เราสามารถที่จะเรียกขึ้นมาได้อย่างง่ายที่สุดก็คือสติ ถ้าเราไม่มีสติเราจะไปอยู่ในที่เหล่านั้นไม่ได้นะพอเพียงแต่คิดถึงมันก็ไม่อยากจะไปแนละ้วอย่างคนที่มีสตินี่เขาจะเขาจะไม่กลัวเขาจะรู้ว่าเขาเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาเขาจะมีสติพอที่จะยับยั้งมันได้หรือถ้ายังไม่มีก็อยากจะไปเพื่อที่จะได้บังคับให้ใช้สติเพื่อให เพื่อให้ยับยั้งความกลัวได้ส่วนผู้ที่เคยใช้สติยับยั้งความกลัวแล้วก็อยากจะใช้ปัญญาต่อไปเ <_ S 1> พราะการใช้สติยับยั้งความกลัวนี้มันยับยั้งได้เป็นครั้งเป็นครั้งไปเจอความกลัวขั้งนี้พอใช้สติบริกรรมพุทโตความกลัวหายไปแต่พอขั้งหน้าไปเจอความกลัวไปเจอของที่น่ากลัวอกีกความกลัวก็กลับขึน้นมาอีมันก็ต้องใช้สติ แก้ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะไม่ไม่มันจะไม่เป็นการแก้แบบถาวรมันแก้เป็นเฉพาะกิตไปคราวนี้เจอความกลัวก็พุโทโธพุโทโธไปพอจิตรวมลงจิตสงบลงความกลัวก็หายไปแต่พอขราวหน้าไปเจอสิ่งที่น่ากลัวขึ้นใหมาก็ต้องพุโทโธเพราะความกลัวยังไม่ตายยังไม่หมด พอผู้ที่ได้ได้ได้ผ่านความกลัวด้วยการใช้สติแล้วขั้นต่อไปก็อยากจะกำจัดมันให้มันถาวรไม่ให้มันสินส้นซากไปไม่ให้มันมีความกลัวหลงหลหลงเหลืออยู่เลยขั้นต่อไปท่านก็จะต้องใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาแล้วกำจัดความกลัวได้แล้วนี่มันจะหายไปอย่างถาวรเลยเช่นความกลัวนี่มันกลัวอะไรมันก็กลัวความตายมันไม่ใช่กลัวอะไร กลัวการตายถ้าใช้ปัญญาพิจารณาก็ต้องพิจารณาร่างกายว่ามันเป็นอะไรมันเป็นมันเป็นนิจจังหรือเป็นอนิจจังมันเป็นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันจะอยู่ของมันไปตลอดอย่างนี้หรือเปล่าหรือมันจะต้องตายแล้วมันก็ตายได้ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าจะมีความกลัวหรือไม่มีความกลัวไม่มีสิ่งที่น่ากลัวมาทำให้มันตายมันก็ตายได้อยู่ในที่ปลอดภัยขนาดไหนถึงเวลามันจะตายมันก็ตายได้ ถ้ามันจะตายมันก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วถ้าถ้าอยากจะให้มันหายกลัวเลยก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายมันเป็นตายรักไม่ใช่เลยมันเป็นอนิจจังไม่ใช่เลยมันเกิดแก่แล้วเจ็บแล้วก็ต้องตายไม่ใช่เลยใครไปห้ามมันได้หรือเปล่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่เลยเราไปสั่งมันไม่ได้เราไปห้ามมันไม่ได้ถึงเวลามันจะตายมันก็ต้องตาย ถ้าพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆพอไปอยู่ในสถานที่มันคับขันที่จะต้องโป่งเนียมันก็จะป่งได้มันจะย่อนตายเพราะมันรู้ว่ามันไม่มีทางไปทางทางไปของใจก็คือต้องปลงเพราะว่าถ้าป่งแล้วมันปล่อยปล่อยแล้วมันจะไม่ไม่ทุกข์อันนี้จังทุกข์กันหน้าตาเพราะว่ามันไม่ปล่อยอยู่กับอันนี้จังอยู่กับของที่เป็นหนาตา แล้วก็ไปทุกข์กับมันทุกข์เพราะว่าไปยึดไปติดกับมันไปรักไปหวงมันไม่ยอมปล่อยมันอยากจะให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่มีวันพัดพากจากเราไปแต่ร่างกายมันก็เป็นของชั่วคราวมันเป็นของที่จะต้องจากเราไปถ้าเราไปรักไปหวงมันเวลาต้องจากกันมันก็จะทุกข์ขึ้นมาท่านงเรียกว่าอาริจังทุกขขังอนัตตา แต่ถ้าใช้ปัญญายอมรับว่าเออร่างกายมันต้องจากเราไปเราห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราก็ต้องปล่อยมันเราก็อย่าไปอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดเราก็พยอมให้มันไปเมื่อถึงเวลาที่มันจะไปเช่นตอนที่ไปเจอภัยอันตรายต่อชีวิตเรารู้ว่าอันนี้มีทางเลือกสองทางอยากจะสุขหรืออยากจะทุกข์เนี่ยถ้าทุกข์ก็ยึดไป ถ้ายึดไม่ยอมปล่อยมันก็จะทุกข์แต่ถ้ายอมปล่อยเพราะรู้ว่ามันในที่สุดก็ต้องปล่อยไม่ช้าก็เร็วก็ต้องปล่อยจะปล่อยแบบถูกบังคับให้ปล่อยหรือปล่อยแบบยอมปล่อยถ้าปล่อยแบบยอมปล่อยมันก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าปล่อยเพราะถูกบังคับใช้เวลาตายมันก็จะทุกข์ตลอดเพราะไม่ยอมปล่อยอันนี้เป็นการใช้ปัญญาเวลาที่ไปเจอ ภัยอันตรายที่ทําให้เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วถ้าพิจารณาว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับร่างกายนี้เท่านั้นแหละภัยต่างๆมันจะทําอะไรได้มันก็ทําที่ร่างกายเหล่านี้แหละอย่างมากมันก็ตายอแล้วไม่มีแล้วร่างกายนี้มันไม่มีวันตายอย่างไรก่อนหน้าที่เราจะมาเจอความจริงอันนี้เราก็สอนใจไว้ก่อนแล้วว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเอ ร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่บ่อยๆพอเราไปเจอเวลาที่จะต้องตายเราก็จะปล่อยได้เราก็จะยอมได้เพราะถ้าเราไม่ปล่อยเราจะทุกข์มากเราจะกลัวมากความกลัวความทุกข์นี่มันร้ายกาจยิ่งกว่าความตายความตายนี้มันไม่มีโทษไม่มีภัยไม่มีพิษไม่มีภัยไอตัวที่เป็นพิษเป็นภัยก็คือความกลัวตายนี่แหละ ที่มันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างสุดขีดความความทุกข์นี้ก็เกิดจากความอยากไม่ตายอยากจะอยู่อยากจะให้มันอยู่กับเราไปตัณหาก็จะเห็นอริยสัจเลยเวลาปฏิบัติด้วยปัญญาจ ะ, จะเห็นชัดเลยว่า อ, อ๋อทุกข์ที่พระเจ้าบอกว่าอยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายนี้ก็เนี่ยกำลังจะเจอมันอยู่นี่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะตัณหาความอยากไม่ให้มันตายนั่นเอง แล้วแล้วปัญญาคือมรคืออะไรมรคก็คือความจริงความจริงของร่างกายว่าแล้วมันไม่ตายหรือแล้วเราไปสั่งมันไปห้ามมันได้หรือเปล่ามันเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจารือเป็นนิจจานี่มันก็จะสอบถามกันไปไล่พิสูจน์กันไปจนในที่สุดมันก็ได้ได้ข้อสรุปว่ามันเป็นอนิจจามันเป็นอนัตตาแล้วมันจะเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดมันไปอยากให้มันไม่ ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมาแต่ความจริงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไม่ฝืนความจริงเราก็จะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พอหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ตายมันก็จะหายไปใจก็จะผ่านความตายไปได้ความกลัวตายไปได้ร่างกายจะตายไม่ตายจะไม่เป็นปัญหาปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจ อยู่ที่อริยาศัสตร์สี่อยู่ที่ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยจะเห็นธรรมก็ต้องเห็นตัวนี้เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เห็นธรรมเห็นการทำงานของปัญหาความอยากที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเห็นการทำงานของปัญญาที่ทำให้ละความอยากได้ เห็นว่าร่างกายนี้มันต้องตายแน่ๆไม่มีวันที่จะไปเปลี่ยนความแปลงความจริงอันนี้ได้อาจจะไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายวันพรุ่นี้อยู่ดีสักวันหนึ่งมันจะต้องตายเมื่อถึงเวลานั้นถ้าไม่ยอมรับความตายมันก็จะทุกข์ถ้ายอมรับความตายได้มันก็จะไม่ทุกข์พอไปเจอเหตุการณ์ที่ทรู้ว่าตัวเองจะต้องตายแล้วยอมรับความจริงได้ว่าตายก็ตาย ตายก็จบถ้ามันไม่ได้อยากอยากไปก็ทุกไปเปล่าๆอยากให้อยู่อยากให้มันไม่ตายก็จะทุกไปเปล่าๆพอหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็หายไปจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบปล่อยวางร่างกายได้จิตก็เหมือนกับแยกออกจากร่างกายไปเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตจะไปอยู่อีกส่วนนึงอยู่ในความสงบอยู่ในมุมสงบเวลาเกาะติดอยู่กับร่างกายนี้มันทุกข์มาก พอปล่อยป๊บมันเหมือนกับว่ามันดุดออกจากร่างกายไปไปอยู่อีกมุมหนึ่งจิตเหมือนดิ่งเข้าสู่ความสงบเวลามันปล่อยด้วยปัญญาเวลามันเห็นเห็นว่าไปยึดไปติด ก, กับสิ่งที่จะต้องตายไปอยากให้มันไม่ตายก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอปล่อยป๊บมันก็เหมือนกับว่าเราถื อ, อาฐานหินน้อนๆ อ, อยู่ในมือเรา พอเรารู้ว่ามันร้อนแล้วก็ปล่อยมันไปเลยโยนทิ้งไปเลยพอยโยนทิ้งปั๊บไอความร้อนที่มันเผามือเรามันก็หายไปมือเราก็เย็นใจเราก็เบนเหมือนมือเนี่ยไปจับไอร่างกายนี้ที่ร้อนเป็นไฟอยู่นี่ไม่ยอมปล่อยมันมันก็ทุกข์พอรู้ว่ามันทุกข์เพราะว่าไปจับไอความร้อนตัวนี้ก็ปล่อยมันไปท่านเองพอปล่อยมันปั๊บใจมันก็เย็นเข้าสู่ความสงบอรมอันนี้ก็จะเห็นเห็น เห็นอนนี in ้เห็นอริยสัจสีได้อย่างชัดเจนเห็นการทํางานของสมุทัยที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเห็นการทํางานของมรรคที่ทําให้นิโรธปรากฏขึ้นมาคือความสงบความเย็นใจการดับทุกข์นี่อันนี้แหละถ้าเห็นอย่างนี้แล้วทีนี้ต่อไป ก็จะรู้วิธีที่จะกาจัดปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในใจว่ามันเกิดอยู่ที่ตัณหาความอยากเท่านั้นและมันเกิดจากการที่ไม่เห็นตายักไม่เห็นไม่มีปัญญาที่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่ามันเป็นอนิจจามันไม่ใช่ของเรามันไม่มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเป็นอนิจจาเป็นของชั่วคราวถ้าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นมันก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที ถ้าไม่อยากปล่อยให้มันเป็นไปตามความจริงของมันมันก็จะไม่ทุกข์แล้วมันจะแก้ปัญหาความทุกข์ใจด้วยวิธีนี้ไปถึงทุกชนิดเลยความทุกข์ในใจทุกชนิดนี้เกิดจากความอยากเกิดจากความหนงที่ไม่เห็นความจริงของสิ่งที่เราไปอยากว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรามันก็จะใช้วิธีนี้แก้ปัญหาใจไปแ ก, แก้ความทุกข์ของใจไปที่มีอยู่หลาย ห ล, หลายระดับหลายชนิดด้วยกันแต่วิธีแก้ก็แก้ด้วยวิธีนี้เหมือนกันคือใช้วัปัญญานี้เป็นตัวแก้ถ้าใช้สติเป็นตัวแก้มันก็แก้ได้ชั่วครั้งชั่วคราว응เวลาไม่รู้ใช้ยังไม่สามารถใช้ปัญญาได้ก็ใช้สติไปก่อน응ถ้ายังใช้ปัญญาไม่เป็นคิดไม่เป็นว่านิจังเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงก็ใช้สติพุทธโธพุทธโธไปก่อน มันก็ละงับได้ชั่วคราวแต่ถ้ารู้จักใช้ปัญญาแล้วมันก็จะแก้ได้อย่างถาวรพอแก้ได้แล้วมันจะไม่มีความกลัวกับเรื่องนั้นอีกต่อไปเคยกลัวเ ค, เคยกลัวตายพอแก้ความกลัวตายนี้ได้แล้วต่อไปก็ไม่กลัวมันอยู่กับร่างกายไปได้อย่างสบายถึงเวลามันจะตายก็เป็นเรื่องของมันเรื่องของใจนี้เราแก้แล้วเราไม่ไปทุกข์กับมันแล้วเพราะเราไม่ไปอยาก ให้มันไม่ตายนั่นเองนี่ก็คือเรื่องของการไปปีกวิเวกเพื่อที่จะไปเข้าห้องสอบเพราะว่าเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ในวัดนี่บางทีที่มันปลอดภัยยกเว้นว่าเป็นวัดป่าที่ใหญ่ที่มีความน่ากลัวอยู่ในวัดนั้นก็สามารถออกไปทดสอบจิตใจได้ในยามค่ำคืนออกไปหาความกลัวในวัดนั้นก็ได้ สมัยนี้ไม่จำเป็นบางวัดนี่เป็นที่มันเปี่ยวน่ากลัวพอสมควรอย่างวันนี้เป็นเขาเป็นป่าอยู่แล้วถ้าอยากจะทดสอบก็ลองออกไปเดินเที่ยวป่าในตอนกลางคืนดูเออไม่ต้องฉายฟงฉายไฟใช้แสงเดือนแสงดาวกลัวก็จะปัวกลัวก็ปองมันไปเลยเออถ้าป่งได้แล้วก็จะสบายจะไม่กลัวตายอีกต่อไป นี่ก็คือเรื่องของธรรมะที่ได้มามาฝากมามาแบ่งปันให้ญาติโยมได้ฟังกันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรใน ล, ลำดับต่อไปเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามขอความกรุณามาถามที่บนศาลานี้ได้เลยมีไมโครโฟนให้ท่านได้พูด เสียงจะได้ไปถึงทุกๆคนที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ขอความกรุณาให้ถามในช่วงนี้เพราะหลังจากที่เลิกแล้วขออนุญาตไม่ถามตอบปัญหาเพราะไม่ไงั้นมันจะเลื้อลังยืดเยื้อบางทีคนอื่นกลับแล้วมันนั่งถามอยู่นั่นอันนี้ถามได้เต็มที่เลยใครอยากจะถามอะไร การกระถิ่นไม่ต้องที่การก่ะถิ่นก็ะไม่เคยทำเอ่อท่านจาร์าวาพูดใกล้ๆหน่อยพูดใกล้ๆท่านอานารย์การการกะถินเนี่ยแม่อนุญาตให้คารวะอยู่ใช่ไหมจ๊ะคะี่รงสีอ๋อมันเป็นเกจของสองนวลฮะอ่เป็นเรื่องที่เหมือนกับเวลาบวชพระอย่างนี้ต้องเข้าไปในหัตถบานไม่ได้ เหมือนกับเวลาพูดแทนเขาประชุมในสภาอย่านี้คนข้างนอกนี้เขาไม่ให้เข้าไปมันเป็นเกตของสองไม่เกี่ยวกับญาติโยมแมแม้นตอนที่อุปโลกสังกรถินตอนที่ญาติโยมถวายกระถินเสร็จก็พระท่านอุปโลกท่านก็จะมีวงของท่านอยู่ญาติโยมเข้าไปในนั้นไม่ได้ต้องอยู่นอกขัถบาทอย่างน้อยหนึ่งศอกหรือสองศอก เพราะว่าม um mm. ันเป็นคล้ายๆว่าเป็นเรื่องของสงฆ์ไม่ใช่เรื่องของคารวะญาติโยมคารวะญาติโยมทําหน้าที่ตอนที่กล่าวคําถวายแล้วพอกล่าวคําถวายเสร็จมอบพระทะประเคนให้กับพระแล้วทีนี้พระท่านก็เอาเข้าไปในในหัตถบัดหรือในในบริเวณของพระสงฆ์ทําพิธีกรรมท่านก็จะตั้งยัตติท่านก็ตั้งอุปโลกกันอันนี้เป็นเรื่องแล้ว แล้วการกระถินนี่ก็คือตอนที่ทำผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วในตอนตอนเย็นรือตอนค่าพระท่านก็จะเข้าประชุมกันอีกครั้งหนึ่งที่โบสถ์หรือที่ศาลาแล้วแต่ว่ามีอะไรที่จะใช้เป็นที่ประชุมแล้วก็จะมีการอนุโมทนา ม, มีการทำพิธีการกระถินเสร็จแล้วก็ถือว่าจบ ใครอยากจะถามอะไรเชิญไม่มีก็ทาง บ, บ้านมีคาถามก็ว่ามาเลยคำถามจากทางบ้านจากคุณสุขขุมปัจจุบันนี้มีคนมาบวชแบบเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างแล้วก็สึกออกไปจุดประสงค์ของการบวชแบบนี้มีเพื่ออะไรหรือครับแล้วได้ประโยชน์จากการบวชไหมครับ อันนี้เขาเรียกว่าบวชเล่นๆไม่ใช่บวชจริงๆถ้าบวชจริงๆเขาไม่เขาไม่เมสือกกันยังการบวชสมัยพระพุทธการกับบวชสมัยนี้มันไม่เหมือนกันสมัยนี้บวชเอาเลิกเอาชัยกันแต่สมัยพุทธการบวชเพื่อให้หลุดพ้นจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นจุดประสงค์ของการบวชในพระพุทธศาสนานี้มีไว้เพื่อให้ได้ หลุดพน้นออกจากวัตตะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นจุดประสงค์ผู้ที่บวชนี่ก็จะบวชแบบไม่เสื่อกันเพราะว่าพอบรรลุแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนอยู่เป็นพระสบายกว่าของฟรีทุกอย่างข้าวก็ฟรีบ้านก็ฟรี <laughs> <laughs> ไม่รู้จะไปเอาเงินทองไปทําอะไร เพราะว่าความสุขที่ได้จากเงินทองซื่อความสุขที่ได้จากการหลุดพ้นไม่ได้ก็เลยอยู่เป็นพระแล้วก็ทาหน้าที่สืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปคําถามจากคุณชัยนลงในขณะทำสมาธิอยู่นั้นสมาธิได้ถอยออกมาเองโดยไม่รู้ตัวเหมือนสมาธิที่ผมปฏิบัติอยู่นั้นมันตื้นและเป็นบ่อยๆตอนนี้ควรทาอย่างไรดีครับ ต้องสร้างสติให้มีมากขึ้นสตินี้เป็นตัวที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิแต่ถ้ามีกำลังน้อยก็เข้าไปได้ไม่ลึกได้ไม่นานถ้ามีกำลังมากก็จะเข้าไปได้ลึกได้นานดังนั้นถ้าอยากจะให้ได้สมาธิอยู่นานๆอยู่ลึกๆ ก, ก็ต้องหมั่นเจริญสติเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิคือต้องเจริญตลอดวันเลย นั่งตืต่นขึ้นมาในพุทโธไปเลยเจริญสติไปเลยดูละจะใช้ใช้พุทโธก็บริกรรมพุทโธไปตลอดทั้งวันยกเว้นเวลาที่จะต้องใช้ความคิดในเรื่องการงานต่างๆก็หยุดไว้ชั่วคราวถ้าไม่ใช้บริกรรมก็ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบถในทุกการกระทําไม่ให้คาดจากสายสายตาของใจไปไม่ให้ใจส่ง ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่ที่ร่างกายตลอดเวลาและเวลานั่งมันก็จะมีกําลังที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ลึกได้นานได้คำถามจากคุณแนทขณะที่เราภาวนาดูลมหายใจบางครั้งจิตมันไปรับรู้ถึงการเต้นไหลเวียนของเส้นเลือดตรงขมับหรือตรงลาคอและมีสมาธิรับรู้ รู้สึกต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบนี้ถือเป็นการภาวนาหรือไม่คะไม่เป็นการภาวนาแล้ถ้าภาวนาต้องอยู่กับอารมณ์ที่เราได้กําหนดไว้ถ้าเราใช้พุทธโธก็ให้อยู่กับพุทธโธเพียงอย่างเดียวถ้าลมหายใจก็ให้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้เพราะจะทําให้เสียสมาธิเสียสติแล้วจิตก็จะไม่รวมเข้าสู่ความสงบ คำถามจากคุณบกกินเนอร์ข้อแรกโยมมักจะติดอยู่กับพุโทโธที่เป็นวงแต่ยังมีมือขาและปากอยู่ไม่สามารถทำให้เหลือแต่พุโทโธอย่างเดียวควรทำอย่างไรต่อคะไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับคำพุโทโธไปเรื่อยๆจะมีอะไรมาปากฏให้ ร, รับรู้รืออะไรก็มาแทรก็อย่าไปสนใจเหมือนเราคุยกันสองคนงนี้คนอื่นจะมาแทรก็อย่าไปสนใจเราก็คุยของเราไปถ้าเราคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวพวกคนที่จะมาแทกเขาเบื่อเขาก็หายไปเองแต่ถ้าเราไปให้ความสำคัญกับเขาไปตอบไปโ ต, ไปต้ไปคุยไปดูไปอะไรเราก็จะไม่ได้พุทธโธพอไม่ได้พุทธโธมันก็จะฟุ้งขึ้นมามันก็จะไม่นิ่งจะไม่สงบ บางครั้งต้องกืนมันลายควรแก้ไขยอย่างไรดีคะอย่าไปกนอย่าไปกึ น, กนให้มันไหลออกมาให้มันย่อยออกมามันจ ะ, ะไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้นคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็ไม่ต้องไปเกามันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อย่าไปขยับมันให้อยู่กับนานภาวนาเพียงเดียวถ้าพุทโธก็พุทโธไปอย่างเดีย ว, ย ด, ยวดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอะไรทั้งหมด ร่างกายคิดว่าจะเอ็นไปทางซ้ายก็ไม่ต้องไปขยับมันเอ็นไปทางขวาก็ไม่ต้องขยับมันเอ็นไปข้างหน้าเอ็นไปข้างหลังก็อย่าไปสนใจก่อนเวลาเรานั่งเราตั้งท่ายให้มันตรงให้มันดีแล้วก็พอนี่มันจะเอ็นบ้างไม่เอ็นบ้างใจเรามันไม่ต้องไปกังวลกับมันบางทีเราไปคิดกันเองว่ามันเอ็นบ้างมั้มันเอ็นก็ปล่อยมันเอ็นให้มันล้มไปก่อนแล้วค่อยมาขยับถ้ามันยังไม่ล้มก็ไม่ต้องขยับนะ เราภาวนาไปเรื่อยๆไม่งั้นมันก็จะโดนในเรื่องพวกนี้หลอกเราอยู่ตลอดเวลาไม่ได้พุทโธไม่ได้ภาวนางั้นต้องมีสติที่กำลังดีมันจะไม่สนใจมันจะพุทโธของมันไปอย่างเดียวอะไรจะมาให้รับรู้มาอะไรมาแกล้งมากันมาหลอกมันจะไม่สนใจมันจะอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือถ้าดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆถ้ามันต่อเนื่องไม่นานมันก็สงบ คำถามจากผู้ฝากถามเมื่อก่อนนี้เดินจงกรมไปพุทธโธไปแต่พอมาได้ยินว่าการเดินจงกรมและพุทธโธไปเป็นการเหยียบย่ำพระพุทธเจ้าจึงสับสนในการปฏิบัติครับว่าที่ทําอยู่ผิดหรือเปล่าครับพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อยู่ที่เราเหยียบหรอกพุทธโธก็ไม่ได้อยู่ที่เท้าเนี่ยไหมพุทธโธอยู่ที่ใจการระลึกถึงพุทธโธนี่ระลึกภายในใจ ส่วนร่างกายมันจะเดินไปเดินมามันก็เรื่องของร่างกายมันคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันทาได้เดินจงกรมก็พูดโธได้แต่เคาะแม้แต่เข้าห้องซ่วมขับขับถ่ายก็พุโทโธได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้เสียความเคารพแต่อย่างได้พระพุทธเจ้าบอกสติ เป็นสิ่งที่จําเป็นในทุกกรณีต้องมีสติตลอดเวลาไม่ว่าจะทําอะไรขับถ่ายแล้วก็ต้องมีสติไม่งั้นเดี๋ยวเละนะถ้าไม่มีสติถ่ายไม่ถูกที่ถูกทางคนไม่มีสติมเมาเหล้าบางทีอาจเจียนหรืออ้วกหรือถ่ายที่ไหนก็ถ่ายไปเลยเนี่นแสดงว่าไม่มีสติถ้าไม่มีสติก็ต้องใช้พุโทโธเดินกลับมาเพื่อจะได้มีสติจะได้รู้ว่าเราทําอะไรตรงไหนถูกต้องและไม่ถูกต้องอย่างไร คำถามหมดแล้วทางบ้านทางจุนระทำว่ายัางไงแสดงว่ารู้กันหมดแล้วออามีพระอาจารย์คะ่ะรบกวนขอถามสองข้อคะ่ะข้อที่หนึ่งคือ อ, อพยายามเจริญสติทุกวันนะคะแต่ว่าเจริญสติยังไงมันก็ได้แป๊บนึงแล้วมันก็หลุดอะคะ่ะมีวิธีทํำยังไงให้มันเจริญสติได้ต่อเนื่องมากขึ้นก็พยายามพอหลุดก็กลับมาใหม่พอหลุดก็ตั้งท่าใหม่ไปเรื่อยๆอย่าอย่าหยุดอย่ายอมแพ้พอรู้ว่าเผลอก็กลับมาใหม่ต้องทําไปเรื่อยๆต้องพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือเวลานั่งสมาธิอะครับ พอนั่งจะพักตัวมันก็จะเขย่าแล้วก็เขย่ารุนแรงมานนกจะแรงว่าสติเราไม่มีนะจิตมันไม่มีตัวควบคุมมันก็เลยไปเขย่าร่างกายเนี่ยก็ลองใช้การสวดมนต์ดูก็ได้ถ้ารู้สึกมันเริ่มเขย่าก็สติที่เราใช้อยู่มันมีกําลังไม่พอก็ลองใช้การสวดมนต์ไปดึงกลับมาสวดมนต์แล้วมันก็จะหายดีใครจไหมถามได้นะตอนนี้ถามได้ทุกเอา ถามได้ทุกอย่างเลยถ้าไม่มี เ, เดี๋ยวจ ะ, ะถามค่ะอ่เชิญจะถามว่าพอดีอฟังวิทยโยค่ะเขาก็บอกว่าเราสวยก็เพราะบุญสูงต่ำก็เพราะบุญดำขาวก็เพราะบุญอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เพราะว่าบุญที่ทำมา แต่ทีนี้เนี่ยหนูมีความสงสัยว่าแล้วคนที่ทําสัญลยกรรมปัจจุบันนะคะ <c oughs> ที่ที่ที่เขาแบบสวยขึ้นอย่างเงี้ยคือมันมีผลมาจากบุญกรรมแต่ก่อนของเขาหรือเปล่าคะจะว่ามีส่วนก็ได้เพราะว่าไปทําสัญลยกรรมก็ต้องมีเงินใช่ยไหอคนมีเงินก็สแสดงว่าเคยไปทําบุญมาในอดีตถึงได้มีเงินมาแต่สวยแบบนี้มันเป็นสวยชั่วคราวแล้วก็สวยปลอมพนะระพุทธเจ้าให้เน้นความสวยงามที่จิตใจเป็นหลัก ศิลป์สวยงามด้วยศีลธรรมสวยงามด้วยความเมตตากรณาุณาอันนี้จะเป็นความสวยงามที่ไม่จืดไม่จางไม่ต้องไปทำสัญยกรรมถึงแม้ผมจะหงอก ork, หน้าใจเหี่ยวก็ยังจะเป็นคนที่น่ารักอยู่เสมอชอบใจชอบใจ คืออา น, นิสงของการทำบุญของเรานี่ส่วนใหญ่มันจะเกิดภายในอนาคตคือพบหน้าชาติหน้าการทำบุญทำทานรักษาศีนี้จะทำให้เรามีผิวพรรณทองใสหน้าตาสวยงามเพราะว่าจิตใจเราสวยงามมันก็เลยออกมาทางทางร่างกายแต่มันไม่ได้เป็นเพราะจะเกิดขึ้นในชาตินี้ด้านนี้ยิ่งทำยิ่งจนแบบพระเวชสันดรใช่ไห ยิ่งทำยิ่งจนแต่พอตายไปกลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธะเจ้าชายสิท ธ, ธัตถ mm hmm. ะเน้การทำบุญนี้เราเราหวังอนิสงส์ mm hmm. ถ้าอนาคตก็ถ้าเรื่องของ เ, อเรื่องอนิสงส์ที่เช่นได้รับเงินทองรับ้องอะไรต่างๆกลับคืนมาก็ต้องหลอพบหน้าชาติหน้าส่วนชาตินี้เราก็จะได้ความสุขใจอิ่มใจอย่างที่เรามาทำบุญกันวันนี้เราก็มีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขใจ อันนี้สำคัญกว่าเพราะมันเป็นปัจจุบันมันมันได้รับทันตาเห็นเลยเห็นถ้าเราจะทำกแเราทำที่ตรงเพื่อเพื่อผลตรงนี้ดีกว่าผลก็คือความสุขใจอิ่มใจและความสวยงามทางจิตใจการทำบุญนี่แหละเป็นการเสริมความงามสัญยกรรมความงามที่ที่แท้จริงถ้าใจสวยงามแล้วต่อให้รูปร่างหน้าตาอับประรักยังไงก็มีคนรักมีคนชอบ ถ้าดูภาพภิกษุท่านหัวโลนทั้งนั้นใช่ไหมก็ยังไปกราบท่านไงครูบาอาจารย์หนังเหี่ยวย่นผมขาวหงอกเนี่ยก็ยังไปกราบท่านไปรักไปเคารพท่านเพราะท่านสวยงามทางจิตใจท่านมีความเมตตามีความกรุณามีศีลมีสัตว์ี่ยยขอให้เรามาเสริมความงามที่แท้จริงกันดีกว่าอย่าไปเสริมงามงามที่ร่างกายมันเป็นความงามปลอมถ้าไป อยู่กับคนสวยงามแต่พอเห็นนิสัยใจคอว่าเป็นคนโหดร้ายทารุณก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยแล้ว <Yeah. S 1> น, นี่คือต้องเน้นที่จิตใจ <Yeah. S 1> บุญกุศลนี่แหละเป็นเครื่องสัมมาของจิตใจ <Yeah. S 1> เครื่องสัญญกรรมของจิตใจ <Yeah. S 1> ของชีวิตของพวกเรา <Yeah. S 1> เราจะสวยจะงามนี่อยู่ที่บุญที่กุศลอยู่ที่ศีลที่สัตว์ที่เราสร้างกันขึ้นมา <Yeah. S 1> อยาไปดองกับความสวยงามของร่างกายที่ มันจะต้องเหี่ยวมันต้องโยนเหมือนกับดอกไม้ถ้าอยากจะคิดถึงความสวยงามของร่างกายให้คิดถึงดอกไม้มันบานไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็เหี่ยวแล้วเหี่ยวแล้วก็ต้องโยนทิ้งถังขยะไปแต่ความงามทางจิตใจนี้ไม่มีวันเหี่ยวยิ่งแก่ยิ่งยิ่ ง, ย, งยิ่งสวยนี่คือความจริงนะขอให้เราอย่าหลงกัน มีใครอยากจะถามอะไรไหมแม่ทีไม่ถามเรอเมื่อก่อนนี้ไม่ได้บวชนี่ ถ, ถามเยอะแยะเลยตอบแล้วนะดังนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ ตอบคำถามที่วันหนึ่งที่คนถามเ่อลูกตายนะคะแม่อายุยี่สิบเอ็ดี่เขาเป็นเป็นทุกข์แล้วก็ท่านก็ตอบสองวันนี้มีมากเลยแค่แช่ห้งวันนี้จำไม่ได้แล้วที่ลูกบวดหรือยังไงลูกบวชและเสกลูกบวชโรเชียชีวิตนะคะที่มามา2สวันนี้เป็น เป็นน้องชายขยาวภานักกีฬาโอลิมปิกเยนทําแดงบ้างแจ็คารโดก็าไปบวชอยู่ทางเหนือใช่ไหมแล้วก็ไปอาบน้าน้ำน้ำอุ่นแล้วแต่ว่ามันเป็นแก๊สมันมีคารบอนมอนลอนอกไซดออกมาจากเครื่องทําน้ําร้อนเนี่ยแล้วห้องน้าำมันมันมันมันก็เลยสลบถลายไปไม่ได้ไม่สด้ตก ฉันรู้สึกว่าหลวงพ่อเขาเล่เาว่าคนนี้มีความตั้งใจมากเรียนจบปบบั๊บก็เรบวชเลยก็ยังบอกดีว่าให้ให้ไปอ่านเพราะอันนี้ท่านอานจารย์พูดถึงเรื่องการอุปทาน ม, ม, ม, มันในความรักไนงะยินดรักมากก็ยินทุกมากแ้่เขาเลบอกว่าไม่เคยทุกอย่างนี้มาก่อนในหัวใจเขาบอกเสียคนที่รัก เสียลูกไปไงโหเมื่อก่อนเห็นคนหนึ่งก็ทุกข์ก็ไม่รู้สึกว่ามันทุกข์เลยพอมาเกิดขึ้นกับตัวเองถึงจะรู้ว่าโอ้โหมันทุกข์อสาาหารจิตของเราเนี่ยมันร้ายกาจเวลวมันดีก็แสงดีเวลามันแสงร้ายนี่โอ้โหมันโหดร้ายน่าดูงอย่าประมาทเร็ว รีบมาควบคุมมันซะเจ็นบนี่ควบคุมได้ตามพวกควบคุมได้มีธรรมของพระเจ้าโชคดีนานๆจะเจอธรรมของพระเจ้าทั้งทั้งอต่านี้นะผบอกว่าเนะี่ยอยากไปให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นในตอนนี้ น, นานๆได้มาเจอธรรมของพระเจ้าเอาธรรมอย่างเดียวขออย่างอื่นทิ้งไปก่อนถ้ามันไม่บนรู้เดี๋ยวชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่ค่อยไปว่ากันใหม่ ไปหาลูกหาเมียหาผัวใหม่ <c oughs> ชาตนี้ทิ้งผัวทิ้งลูกทิ้งเมียไา <c oughs> ขอให้เอาทําก่อน <c oughs> เพราะทํานานๆจะมาสักครั้งหนึง่งถ <c oughs> ้าหน้ากลับมาเกิดอาจจะไม่เจอทําแล้วถ้าไม่เจอทําก็ไปเอาลูกเอาเมียเอาผัวเอาสมบัตกัน <c oughs> แต่ชาตินี้มีของที่ดีกว่าทำไมยังไปเอาของที่ไม่ดีทําไมของที่ดีที่นานๆจะมาเกิดขึ้นสักครั้งก็งคือทําของจะเจ้าวตอนนี้ทิ้งไปเลยสามีภรรยา รัพสมบัติเจ้าของเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆแล้วหันมาเอาทํำนะเพราะนานๆนจะเจอธา ร, รมของพระเจ้าสักครั้งหนึ่งแล้วถ้าเป็นบุญวินวิาสนาของเราก็อาจจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เกิดตายต่อไปถ้ากลับมาก็จะกลับมาดีกว่าเก่ามีทรรพระเจ้าคุ้มคอรองถ้าอย่างน้อยได้เข้าสู่กระแส ก, ก็ยิ่งดีอ่ก็ก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเ็ดชาติเปอย่างมาก ฉันตอนนี้ทิ้งไปให้หมดเนี่สามีภรรยาบุตรธิดาหังทําไมเดี๋ยวก็ต้องจากกันอยู่ดีเอาเวลาที่เหลือนี้มารีบงจักจวงเราทำของพระเจ้าดีกว่าในการศึกษาฟังเทศฟางธรรมด้วยการปฏิบัติปฏิบัติแล้วผลไม่นก็ต้องเกิดอันนี้มันเป็นเป็นเหตุเป็นผลที่เป็นมานี้ตั้งแต่สมัยพระพุทธการแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงตามการตามเวลาอากาลิโก อยู่ที่เราเท่านั้นน่ะที่จะมาศึกษามาปฏิบัติทำได้ไหมนถ้าศึกษาปฏิบัติมันก็มีปฏิเวทมีการบุษย์มากผลขึ้นมาถ้าไม่ถ้าศึกษาแต่ไม่ปฏิบัติมันก็ไม่มีผลเหมือนไปเอายามาแล้วไม่กินไปรับยาจากหมอมาแล้วไม่กินโรค ก, ก็ไม่หายถ้าอยากจะให้โรคหายก็ต้องกินยาที่หมอมอบเรามารับยาจากพระพุทธเจ้าแล้ว แต่ะฟังเทศฟังธรรมแต่และครั้งก็เหมือนกับการรับยาไปรับไปแล้วก็ไปวางไว้เฉยๆเป็นตู้เลยหมดเป็นบ้านเลยหมดนะือธรรมะเทพซีเดียวแต่ไม่ปฏิบัติกันเลยมันก็ละเมิดปฏิเวทกันเท่า อ, อันที่ท่านเจริญในอธิบายกลุงมที่ท่านเจนจิญไปพวก น, น, นี้ฟังคือท่านเจริอธิบายเรื่องความรักกับเมตตา ไม่นนนในที้ที่ท่านอาจารใ์สอนเขาการรักมันเป็นกิเลสรักแบบรักแบบผูกพันรักแบบครอบครองอเป็นสมบัติของตนรักแบบเมตานี้รักเพื่อให้เขามีประโยชน์มีความสุขไม่ได้หวังอะไรจากตัวของผู้ที่รักคามเมตตาให้อย่างเดียวจริงๆพ่อแม่เขารักลูกแบบเมตตาด้วยใช่อาจร<ต>มันมีกิเลสด้วยไง มันยังห่วงว่าเป็นลูกของฉันแล้วดีไม่ดีเมตต า, ายเป็นโทสะไปก็ได้เวลาลูกไม่ทําตามที่สั่ง <c oughs> ไม่ทําตามที่แต่ถ้าเมตตาโน้ๆจะไม่มีโทสะตามเลยไ ม, ไม่ทําไม่ทําตามที่สั่งแตแล้วไปเรามีหน้าที่สอนสั่งก็แล้วเขาจะทําตามก็เป็นบุญของเขาเขาไม่ทําตามก็เป็นกรรมของเขาเร่คิดแค่นั้นเอง ต่ไม่มีความโทสะไม่มีความเสียใจถ้าหนีไปแต่งงานกับใครก็ไม่ร้องห่มร้องหให้มันอยากจะไปอยู่กับใครก็เรื่อนหัมัน <c oughs> แต่ถ้าเป็นมีเป็นของเรานี้ต้องจะเป็นคนจัดการหาผัวให้เขาเหมืนอนกัฮะ <c oughs> คนนี้ไม่เอาคนนั้นไม่เอาต้องเอาคนนี้เนี่ยยุ่งแล้วนี่ใช่ไหมอันนี้เรียกว่ารัากแบบกิเลารักแบบเมตตาก็ปล่อยเขาไปไอันไหนที่เป็นความสุขของเขา ถ้าดีแล้วก็ถ้าไม่เสียหายก็โอเคถ้าไม่ผิดศีลผิดธรรมผิดต้นไม้อยากจะไปรักขอทานก็ไม่ว่าอะไรทําใจได้ไม่ทาไปลูกไปแต่งงานกับขอทานนี้แล้วไปแต่งงานกับสเภณียากเหนกังไม่เมตตาจริงอย่างอย่างแม่ลุกขึ้นแต่เช้าปีสามเม่ก็ไม่อยากให้แม่ลุก ก็เป็นทุกข์เหมือนกันปล่อยท่านเถะท่านสุขท่านสบายยังไงท่านจะทำอะไรตานวิปัสสนาท่านตามไปตามอัธยาสัยของท่านอย่าไปทเทเี่ยวเข็นบังคับนะท่านจะกินยาไม่กินยาจะรักษาไม่รักษาปล่อยให้เป็นไปตามอัธยาสัยของท่านดีกว่าไปเที่ยวเข็นก็ทุกข์กันไปก่อนแล้วก็ตายเหมือนเดิ ม, มไม่เปลี่ยนแปลงอะไรช่ให้เขาอยู่ยังมีความสุขสบายใจของเขาดีกว่าแล้วก็ตายอย่างสุขอย่างสบายใจ อย่าไปเที่ยวเข็นใครเท่านั้นชีวิตของเขาให้เขาเป็นผู้เลือกทางเดินของเขาเองถ้ามีข้อเสนอเนี้ยมีอะไรก็เสนอไปถ้าเขายินดีรับก็ดีถ้าเขาไม่ยินดีรับก็อย่าไปบังคับอย่าไปเที่ยวเข็นอย่างเช่นกาให้มันจะไปถึงคือแค่เราเหมือนต้องเราต้องดูแลก่อนสั่งสอนก่อนไปถึงกับไปถึงตรงเที่ยวเข็นเนี่ยตรงนี้มันช่วงที่เที่ยวเข็นมันก็ต้องมีบ้างเช่นตอนที่เป็นเด็กเป็นนักเนีย ถ้าไม่อยากไปโรงเรียนก็ต้องคีบเข็นให้ไปโรงเรียนไม่ใช่ปล่อยตามใจอย่างนี้ไม่ถูกแต่มาถึงว่าถ้าเขาโตแล้วก็เป็นตัวของเขาแล้วนี่เขาเเรับผิดชอบในชีวิตของเขาแล้วนี่เราหมดหน้าที่แล้วไปเขียบเข็นแล้วมันจะกลา ย, ลายเป็นเป็นโทสะเป็นก ร, รํากันไปเปล่าๆเพราะเขาก็ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจแทนที่จะมีความรักต่อกันก็เลยกลายเป็นความเกลียด ต, ต่อกัน ถึงแม้ขณะที่เคี่ยวเข็นได้ถ้าก็ไม่ทําตามก็ในที่สุดก็ต้องยอมเคี่ยวเข็นแล้วไม่เอาทำไม่ยอมไปเลี้ยอย่างเดียวเอาไม่เลี้ยก็ไม่เลี้ยงจะทำยังไงก็คือว่าเป็นพิการทางสมองไปแล้วมันเอาแล้วเนะี่ยสี่โมงนะบางคน